พระจะมาสนที่ที่จะปฏิบัติที่เช้าวันตั้งพระพงทั้งหมดนี่ยพระจะมาสันภาษาขึ้นไปมีเกือบ้อยเก้าขีดแปดตรงห้าพันภาษาขึ้นไปทูภาษ า, า, า, าลงมาเรื่องนี้มากอือว่ามีพระฝรั่งพระไทยโดยรวมกันลอยกันมาท่านี้ก็ประกานนศกายเป็นาได้มากครับอือ พระจ้าสนใจมันประมาณสักเกือบร้อยคิดพระจ้าลงมานี่เลยนะมื่อเยียมไหมพวกนี้พวกเมืองเนี่ยก็สนใจไม่รู้จะไในทุกวันไปวัดประโพง์ไปเนะี่สนใจกรรมาฐานไปดีๆมาดีๆไม่เคยได้ขาดเลยคนระูคนสนใจปีนี้เลยมีโอกาสาที่มาเยี่ย ม, มยยใหมบริการดีแค่หน่อย ม, มาดู มาเที่ยวนี่มีประโยชน์หลายมันมาถึงนี่มาแต่ก่อนเนี่พอสงสัยนี้มาถึงกงรุงนนท์อนเท่านั้นก็พอมองเห็นอือเยนิสัยเมืเนในใมองกงรุงนนท์ตอนก็อเมริกรันมีแปลกกันอยู่อืออเมริกรันมีแปลกกันอืออือถ้าหากว่าที่ในที่ว่าจะมามันจะเป็นประโยชน์ในต่อไปนี่อือจะมีพระไทยเข้ามาภ ร, ระกัมพูชาเข้ามานะ่ะ ย า, า, รยาพระบริยตเข้ามาพระประมณานิชินนี้อันนี้พระฝรั่งแล้วนี่ก็หลายองค์นี่ยังมีอยู่ครับทำไมต้องควรพระไทยแบง่าางพระฝรั่งวังแยกกันลงมามาจะมาว่าเห็นมันจิตระเบิดได้อยู่ศาสนาเนี่ยเราถ้าะจะไปจัดในทางการเชิดธรรมทูตนัะนนะเทิดารรมคงจัดมาหนึนนะเกือบทุกประเทศมันมาว่ามันจะไม่ได้ผลนะี่ย คือผ้าพวกนั้นมีไปเรียนหนังสือไม่รู้จักทํากรรมฐานทางทางเมืองนอกนี่เขาชอบนั่งสมาธิสอบทากรรมฐานทั้งโน้นเรียนปริยัติมาไม่รู้จักกรรมฐานไม่เข้ากันนี่วะโยมท่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปนี่อย่างกุงเงินดอนนี่มาตั้งอยู่หันอืมประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปซื่งไม่รู้เรื่องอันนี้อื การจะเป็นไปเป็นไปพ่อกรรมาฐานเพื่อ น, ขาานกาานขามาเมื่อก็มาฐานเํามาเมื่อไรนะมีหวังทำสมาธิไปเลยมีหวังอนะ่ะเห็นอืมจริตจิตทิ้งพ่อไงอืมพ่อก็เห็นด้ว ย, ยกันกับหลวงพ่อเขาก็นึกถึงที่เร็วความเจริวของ แต่ก่อนเมื่อเมื่อทำก็พยายามพยายามทำให้เกิดคุณนามความดีแล่ว่าทุกครั้งก็จะมี อ, ะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นบนทางเขาไม่ให้ผิดหวังทุกครั้งโอดีเดี๋ยวนี้มันคิ ด, ค, ดคิดอยู่ในชีวิตก็จะทำยังไงก็ถ้าจะทำอีกก็ ไม่ไม่ใจก็ไม่ค่อยไปในจะไปต่อสู้กับโลคผิวหนังแต้ว่าก็ยังม่ไดตัดสินใจพ<ม>อดีวันนั้นก็ไปยินภูมิผมพูดเรื่องกรุงลอนดอนเรื่องกัมันสังวัตที่อังกฤษนั่นเขาก็เลยดีใจนะเพราะว่าเขใช้ว่าใกล้เข้ามากจาเจ้าเนี่นะเจ้เมืองไทยเราก็แต่ว่ากมยไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็กำลัง น, น, นึกจะไปข้างในดีครับ คนคิดงนี่หลายเลยนี่คนคนคนโสดได้ไม่โสดหลายคนโสดได้ไม่ใช่คนโสดนี่หลายนี่คิดจะไปไดหรืออยู่อะไรนี่หลายวันนี้ถ้าเรามาคิดมาคิดไปพอดีพอดีเราก็เรียกว่าไวดีแล้วนะอืมพอ พอที่จะทำชีวิตของ้องให้เกิดประโยชน์นแล้วไหนดูดุลนี้กันหนักแน่นนะพอสมควรแล้วกรุงงินดอนที่เป็นจุดศูนย์กลางเลยเมืองไทยก็ขยับเข้ามาเมืองอเมริกาขยับเข้ามาเป็นศูนย์กลางกรุงนินดอนไครจะเรามาคนเดียวจะไหวเนึ่ยวะต้องแบ่งกันทุกคนทุกครึ่งหนึง่ง <c oughs> ใครจะพอรับได้ครับ เอาคอละครึ่งนี่เอาคนละครึ่งด้วยทอมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งบนนี้ปฏิบัติธรรมนะกรรมการฐานคือเป็นเป็นเป็นผู้เบื้องแรกนะครับที่ได้ช่วยตั้งเดือนเดนี้ไม่เคยเลี่ยงกับทอมเกี่ยวกับการปฏิบัติทีนั้นไม่มีปอยให้ครเลยคือนี้กรรมการใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองอยู่ครับ แต่ถ้าคนแต่ทอมทอมไม่ได้เห็นใครออกนอนแบบนั้นพวกได้ดูอยู่แต่เจ้าหน้าที่นอนนั่นจะที่พวกแม่ครัวที่ลุงพ่อดนเราได้เลี้ยงเรานั่นก่อเปลี่ยนทุกปีและสองปีนะครับว่าจะทําสะสมัครไม่เคยหนักใจอะไรทาไหมเดิมทีนี้นะครับ<ะ>เดิมทีเราทํากรรมฐานนี่ไม่ได้หนักใจอะไรมั้ง ครับครับเข้าสอ ง, งกับแบดีพิ่มกับพรอมด้วยเติบ้านแถวยูแถวลอสตันบายดีแถวยูนี่ในเมืองอย่ลมป่านะพอลุนพอเทกมเคือนีนกเทกเรื่องคอยยูในเมืองยูในป่าดี่ทําทให้นึกคิดอะมาบ้าเกินเรื่องกาอยู่ที่สำคัญที่ดีใจมมนมากฝากยาไว ไปเห็นบ้านนั่นน่ะบ้านใส่บ้านใส่เกิ๊นลายลายมีย่อมน่าเดิมสายก็สร้างบ้านถ้าสร้างบ้านนังไม่ใหญ่แล้วกันแต่ถ้าสร้างข้างบนที่ทํำกรรมฐานเราเนลองไหมเมืองมาเวลาสมควรเราเรามานั่งพักผ่อน สักห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างดีมากที่ที่ข้าวถามที่ที่มีร้องเพมแล้วเราร้องคนคนเสียนอะไรที่เขาเตรียไว้เขาจัดห้องใหญ่ๆพิเศษกันงหากสาหรับคอนขอ่าวกรรมฐานอมาทุกทุกคอนที่ทําการรวมด้วยกันต้องข้าวไปนอนในห้องนั้นวันกลางสองครั้งเขารวมกับก่านเขามีบ้านไหนทำไมไม่ได้พักผรไม่ได้ห้องกรรมฐานพักผ่อนเเรียกว่า คนทําแต่งานไม่ไม่หยุดไม่กินผลของงานครับตามภาษาแสแลียนเขาว่าภาษาแสแลนด์เขาว่าเลี้ยงไก่ใคยจะกินไข่มันไม่จะกินไข่มันจะไปกินที่ไก่อย่างเงี้ยเออ อย่างนั้นคนทํางานไม่หยุดไม่มีกรรมฐานที่จะหยู่อยงนี้ประเทไทยเป็นอย่างนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ทำแม่เลี้ยงไก่ไม่กินไข่มันกินที่มันเป็ไข่ไม่มีการปฏิบัติน้อย <c oughs> มันก็ทำกรรมฐานในในบ้านเมื่อก่อนดีก็ไม่ทำํำบางคนเคยถามปัญหามันจารย์มาเลยว่าเราจะปล่อยวางมันแล้วเราทำในในบ้านได้ไหย ถ้ามันปล่อยวางหมดมันก็ได้มันปล่อยวางมันไปจะได้อือก็ต้องทําดีกว่าไม่ทําทําอย่างคาครับกําลังใจก็ได้หรือว่าเพิ่มเติกําลังใจไหมทำบะยิงยิง่งขึ้นมากครับเขาข อ, อขอกระชับยาดูดครับอาจจะน้อยมันมากเหรอถูกดุดมาันนเขาเข้าวถามว่ายุดดีทำไหม ว่าจะได้หยุดที่ดีหรือว่ายุดที่เสื่อมถ้าพูดถึงถ้าว่าหยกไหนมันก็ดีอย่าให้มันผิดกฎหมายครับอย่าให้อย่าให้มันเป็นบาปมันมันจะเจริญมันก็เพราะความเปลี่ยนแปลงมันจะเสื่อมก็เพราะความเปลี่ยนแปลงครับหาทางเจริญมันก็เจริญสมัยนี้มีสร้างบ้านทําที่นั่งกรรมฐานไว้สมัยก่อนไม่เคยมีเพิ่งมีมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันดีโลกประสาทมันจะน้อยลง อือย่างนี้อย่างที่สองเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนยาเสพติดในนี้ครับอย่างนี้มียอมยาเสพติดกันเปลี่ยนแปลงกินยาเสพติดกันอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปหาทางเสริมคิดโดยคิดใจเราเปลี่ยนแปลงไหมมันก็เปลี่ยนทาบ้างเดิมใบบ้าเหมือนย่างคือขาวาอารมณ์มันคอ ย, คอยสะดอลกันหรือคิดถึงอันนนปัญญามันมาก มันมันเป็นเรื่องศปกานในสถานที่ในยุคในสมัยของมันในสมัยนี้มันเดือดร้อนเมื่อมันเดือดร้อนบุบวายอยู่ในใจของคนเกิดทุกข์ขึ้นมามีเมื่อความเกิดทุกข์ขึ้นมามันก็อยากจะไม่ให้มันทุกข์มันก็มองหาทางหน้าทางหลังตรงไหนเราจะออกจากทุกข์ได้จะทํายังไงจะคิดยังเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาวัตถุมันก็ช่วยไม่ได้มัน มันจะช่วยได้เพราะทําจิตให้มีกํำลังทําจิตให้มีกําลังก็ครื่องขาที่จะให้มันคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ถูกเวล้วมันหยุดคิดเดี๋ยวให้มันเข้ากรรมาฐานมีช่วยแล้วนะเจอตัวแล้วนะต้องยันทำทุก ว, วันนะเมื่อป า, านงานเสร็จบางว่างก็ม า, าเดี๋ยวสักห้านาทีก็ยังดีเราจะได้เห็นตัวของเราเห็นความเป็นอยู่ของเรา รู้จกักชีวิตของเราคนไม่กำลังลมหายใจใน่นั่งกรรมฐานนี้กระทั่งวันไม่รู้ไม่รู้จักว่าเราหายใจหีือเปล่าคนนี้<ท>เคยมีไหมวันหนึ่งไม่เคยได้เห็นลงหายใจเพราะมาการงานนี่ยุ่งอืไม่เห็นตัวจะของทั้งวันเลยอันในกลางวันเรางานไอ้ไอ้ไอก่อ น, นึงกลางวันเราทํางานกันคืนวันละพักก่อนต้องนั่งสักคนตรวจ ด, ดูสักคน ในเวลานั้นพูดโดยความไม่หลงจะทำโดยความไม่หลงทุกอย่างบางคนเห็นว่ามาอยู่ป่านี่มัทันสมัยอาจจะมาว่ามันทันสมัยดีกว่านคนคนอยู่ตามป่าเป็นธรรมชาติที่ทําความสงบในประทับใจเราอยู่ได้ยินเสียงนกมันร้องได้ยินเสียงสัตมันร้องก็สบายสบายถ้าเข้าไปในเมืองไดเสียงคนร้องสบายเกิ น, าน่า ตอนที่ก็ทุกข์เกินไปลหลงไหล ย, ยงนกมันร้องเนี่ยสบายคือธรรมชาติคือธรรมชาติ <c oughs> การทำวันนี้การพอทรมพื่ทำบุญนี่มเมืองไทยก็จะการทำบุญหรือพุทธศาสนานี้พระสงฆ์เป็นพยานจัดทับสนังเห็นสมณะที่สงบเขามานั่งในบ้านใจเราสบายสงบด้วย พอจิตใจของเรามันมันชอบตามอย่างนั้นอยู่แล้วยังก็ไปด้วยเขาชโชควยกันทีคือดูเขาโชมวยกันเนี่ยไมเป็นคนชโชควยมดทุกคนหนึ่ง เ, เป็นป้าท่านพูดมีธรรมะสงบมีศีลธรรมมีสติในใจของเราโหเราเด็กฟังก็เย็นตาเห็นก็เย็น เ, น เ, นเนย็นไปถึงใจเราเดียว ท, ทีนี้ท่านเนี่ยทาให้ใจสบายขึ้นเป็นเรื่องของการแต่ทำบุญฉะนั้นทาน่านจึงให้วันหนึ่งเกิดมามรรลุธเราให้ได้ทําบุญ น้อยประจังมันอย่างน้อยก็เอาเอาเมล็ดข้าวให้หมดกินก็ได้หรือเอาให้นกกินก็ได้เอาให้ไก่กินุก็ได้ทุกทุกวันพยายามทุกวันทุกวันให้มีวันนึ่งให้มีเลยวันนี้เราจะนึกจะทําบุญอะไรเนาะย่างน้อยไม่มีอะไรให้ให้ทานมันยังเออวันนี้เราจะทํำใจสบายที่สุดใครมันโกรธใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเถอะเราจะทํำใจสบายที่สุดอย่างนี้ก็ได้ดีไหมโว <Pitt> <ช> <c oughs> ทาบุญนี้เราเราเคยได้ทําบาปก่อนมีมันถ้าทําบุญ <c oughs> มันให้ใส่แขกหนึ่งล้างมันลา้ลางบาปล้างบาปได้ไหมหรือว่าเราจะดองได้ผลของบาปนั้นด้วยไหย <c oughs> ได้ <c oughs> ในปุยเนี่ยไอ้สิ่งที่ทํามาแล้วมันเป็นอดีตกันี่ยอยากยากนมาคิดมันได้เพิ่มไหมคิดมาแล้วก็ไม่ได้ผลครับ <c oughs> ทําอย่างนี้ถ้าทํามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ใ, นใจมันเลยสบาย ไอ้จิิงที่ทำมาแล้วมันเข้าตามานตาในทันดอกหายกันไปนะที่นั่นนะมันสงสัยถ้าเราดูเร า, เราละเราจะไม่ต้นทิดย์นั่น น, น, น, นี่นีน่หมดนะฮะละบาปไปตาน้าเลยเนี่ยนึกตัดอกอกนิดน้อยไม่อยู่ตัดไปเนี่ยก็หมดในตากรรมใส่ไงคือความดีนั่นเองน่ยถ้ามันความดีจะ่เราสร้างอย่างวันนี้ในที่กระทำบุญวั น, ว น, นนี้นะคนทุกคนมาเนี่ยคงนี่ เขาในรับประทานขนมที่นี่เนาะสบายไหมบุญคนเดียวทําคนอื่นเป็นสุขหลายหลายเลการย่อมเชื่อจะด้ไเห็นแก่ตัวเมื่อกี้พอทำก็สบายใจพรุงนี้ก็สบายสบายว่าได้ทำความดีแล้วเอคนทั้งหลายนี่ทําเป็นเหตุในใจสบายหมดเลยถ้าถ้าให้คนเราทําบุญคนใจบุญคือคนใจดีใจบาปคือใจไม่สบายออื ใจใจไม่สบายแล้วก็คำพูดก็ไม่ดีพูดให้คนทุกคนลั่เปลี่ยนงวดพูดถอย่นี้เือวานทีคนนี้ฉันนัดบางคนนั่งเปลี่ยนเห็นไหมนั่นต้องอาศัยการนั่งสมาธิเหมือนที่จะรู้จัดจได้หลายอย่างรู้ <c oughs> หมดทุกอย่างทำไว้พยายามจาัดที่บ้านทำห้องดนึงเลยรักษาโรคจิต ลวมพอได้พูดถึงปันอะไรฝันดีเคยได้ฝันไหมแล้วฝันถึงอะไรไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันแต่ลวันว่าฝันว่าสมัยนี้มีน้อยมีฝันน้อยบ่คือใจมันมันสบายมันตื่นอยู่มันฝันไม่ได้คนฝันหลายคือคนอยากหลาหลายแล้วก็คนอิจฉาคนนั่นเกลียดคนนั่นอะเนี่ยอืมีฝันมีน้อยนิดหนึ ต่อไปก็จะพยายามใหม่นกฝันเนี่ยนอกจากฟันดีนะครับฟอนรอแฟนโลกถึงถาหนึ่งนัเนเขาถามก็ฟันฝันบอยมาก็ได้ฝันแต่ว่ามีเพื่อนเพืนดีฝันรวมขึ้นสวรรค์ไปสู่เทวดาอะไรมากมั้ยเขาอยากรู้วานดีมันสำคัญไหมครับไม่ฝันนี่สำคัญมาก คือคือคนที่ฝันมากก็มีมีคนมาโกหกมากมีอารมณ์โกหกมากอารมณ์ความรักความเกลียดมันโกหกมากแต่เราไม่นอนเนะี่ยเมื่อเรานอนได้สิงนะั้นโกหกมากโกหกะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าในฝัน <c oughs> ฝันในดับในฝันท่านตื่นเพื่อท่านมาในดับคนดับก็ต้องฝันจิตใจท่านตื่นอยู่ทางกลางวันกลางคืน อาลมณมาโกงอกจิตใจของท่านไม่ได้กลัวท่านไม่มาโวนท่านเลืมตาอย่างนันก็โวนไม่ได้ดับตามันก็โวนไม่ได้เอาเงานินดี้ไหมคนธรรมดาลแล้วก็ฝันมาได้ค่าคนโน้นเลยยิงคนนี้เลยชกคนนั้นเลยวุ่นวายมาเช่นมาเช่นหอ่านหนึ่งเอิมเอมเอตื่นขึ้นมาอ้ฝันไปอ่ะเร่มชอบสบายใจไหมชอบครับชอบด้วย ชอบจะทำให้ใจทุกข์นะแค่นั้นแหละปอดสบาแนั้นละเคยไปอินเดียหรือปล่าห้าปีก่อนครับที่อินเดีย b ล้วอินเดียนะครับรู้สึกยังไงไหมไปอินเดียรู้สึกยังไง d หมรู้สึกเกิดปัญญาบ้างนะเห็นไห b มีมีอาจารย์สอนชื่อ l e มคาราลีบามะที่เป็นอาจารย์ฮินดูชื่อเสียงสอนดีดีด้วยครับ มุกษมุนิทรัคมุนิทรัคดีไปอินเดียมีคนมีนะอินเดียมีคนรวยไหมมีบ้างครับมีคนมีคนเศรษฐีมีคนมหาเศรษฐีก็มีมีคนจนไหมคนจนหลายคนรวยดอยดยแต่ว่ามีทั้งสองมีคนขอทานมหลายมีคนให้ไหม ดีครับ <laughs> คนใดก็มีคนก็ดานอย่ีดีครับเข <c oughs> าว่าคนอเมริกาบางคนเขาว่าอินเดีย น, นั้สบายกว่าเมืองเมริกาคนอเมริกาบางคนคนอเมริการวยแต่ว่าทุกทุกใจหลัง อ, อ, อ, อ, อินเดีย เ, เขามีเขามีความไม่ทุกข์ใจคิดมากมีอารมณ์มาก อเมริกาเนี่คนรวยมากแต่คนไม่สบายใจทําไมเป็นไนละ่ะห้าปีนะครับไปหาศิลปะไปทไําอะไรอยูไ่ไปทําอะไรอยู่ไปศึกษ า, า <c oughs> ไปศึกษาธรรมะธรรมะถ้าไปอินเดียแล้วก็หมดหมดทางไปแล้ว <c oughs> จบอาจะมาก็อ <c oughs> จะมาจะพยายาม ไปอินเดียมาอเมริกาก็จะไปนิวยอร์กจบแล้วจบการศึกษาแล้วทีนี้จบแล้วจบแล้วไม่มีที่ไปแล้วจบเลยนี่เนี่ยเปการศึกษาไม่ต้องเปเรียนไปศึกษาในทากรรมฐานห้าปีอะไะอะไรบางท่าทพิเบได้วยหรืครับปบัติครับปชิบัติในทางศาสนาพุทธิเมตครับเป็น ทำาทา บ, บาฏริบัตทำสาธิฐานด้วยไปเรียนตรัสสอนด้วย ท, ที่ละเอียดคงจะไม่มากแต่มันเรียนก็นถวากว่าพระเจ้าจะรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปย่าบ้านพระมุชานี่มีห้องสมาทานาดีบอกว่าดีดีทั้งนี้ดีมากเลยหาไอ อาจารย์กรรมฐานไปได้หลายเนี่ยจริงๆไปศึกษาเมตตาญาณเป็นเมืองที่ทพิเศษบ้างครับชัดสุดพิเศษโดยมากอาจารย์กรรมฐานเมืองไทยมีแต่สอนคนดนเจ้าของมาดูจากกรรมฐานไปดูหนังสือแก็ไปสอนกรรมฐานเหมือนกันกับที่ท่านในอาจารย์เช่นท่านมาวันนั้นนักปริยัติก็ถามว่าอะไรก็เกิดมาจากิตเกิดมาจากจิตมั้งครับจิตหมดท่นนึกว่ะเกิดมาจากจิตเดิม นักปริญญาถวายเห็นคับคิดเดิมมันเกิดมาจากที่ไหนนักปริญญางงเนกลัวหาอาจารย์ก็มาถานไปเที่ยวสิงเดียไปทําบัญญาระวังอาจารย์กรรมฐานเราระวังดีดีเถอะต้องไปศึกษาดี่ดีดีไอความรู้สึกนึกคิดในใจอจะมาว่ามันไม่แน่นอนแต่ว่าเอ่ ชาวอเมริกันเนี่ยมันมันวุ่นวายหลายมาดูแล้วก็มันคล้ายๆกับแม่น้ะมาเดียวกันครั้งนี้มันร้อนๆครั้งนี้มันเย็นแต่มาถึงใจชนตะบดีนี้มาเห็นโอ้เดื่อดไสหลายขี้ ใ, ใจหลายมาเห็นญาติโยมทําห้องก็มาฉานไว้อย่างเงี้ยลูกลียดเนี่ ย, ยนั่ยกับไปนื่อ ง, งรับรองว่าใจดีก็โรงพยาบาลโลกประสาทก็ดีดีนี่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์ใหญ่ไเลเคื ดียู่งีแหละดีหดหแหละไดโยมนั่นแล้โยมทินนั่นน่ะแม่บ้านนั่นถามว่ า, ามิช า, าละอืมีชันจะสอนดูกยังไงดีเอามาเงินอาจจะมาเลยบอกว่าสอนแม่เนี่ยกับพ่อนี่ในหะ้มันดีลูกมันไม่ยากหรอกลูกมันตามพ่อตามแม่เองมันไม่ต้องเข้าใบาสอนเลยมันยาก อ, อื่ะพ่อแม่พูดในดี ทำไม่ดีนี่ลูกคนก็นมองเห็นเท่านั้นเลยเราจะบอกเราอาธิบายเรื่องเสียนด้วยใบสําหรับดแดกแดกแตกด้อยเพือ ว, ว่าให้ตามพอแม่ได้และ้วปอวยเราให้มันรู้จักภาษามันก่อนการสอนคนไม่มีแต่คําพูดสอนมันแต่การกระทําการไปการมาการกระทําตรงอย่างเป็นคําสอนทั้งนะั้นมันมันมันก็แบบนะ้อินเดีย มีคนจนมีคนขอทานเยอะก็มีคนให้เยอะเหมือนกันครับดีครับซึ่งว่าจะอยู่ไม่ได้นะเมืองนี้มันหนาวจัดก็มีคนอยู่ได้ครับเมืองไทยมีคนร้อนก็มีคนอยู่ได้ครับออืธรรมชาติมันก็มันธรรมะธรรมะคนท่าสอนชั้นลาบากลาบากมันยากทําไม่ได้แต่ครับเออไม่เงมพียง เมืองเราพอไปทํานี่ยมันมีความสบายมีประโยชน์มั้งเนาะเมืองอเมริกาเนี่เมืองเร็วเร็วมากเชอบทดลองทุกอย่างนี่มันทดลองวูเขานี่งูเข้าที่ไหนขึ้นเข้าวสารจับมันไม่ได้เลยขบี้อ่ะนี้อ่ะผ่านชอบทดลองชอบเที่ยวคนอเมริกานชอบไปชอบเที่ยวชอบไปทุกแห่งเวลาสุด ผู้งผู้ชายออกอะไรตะพายเหมือนเหมือนกรรมฐานยู่ไปไปศึกษากลับแล้วเป็นคนฉลาดเหมือนกับกรรมฐานพระพุทธเจ้าของเรามาบวชกรรมฐานศึกษาต่อเที่ยวไปในป่าในลกในบ้านน้อยบ้านใหญ่ไปที่ไหนกลัวไปที่นั่นเอาที่นั่งกรรมฐาน เถืออนอยู่ในกระเป๋า oh. Oh. Oh. Oh. Okay. มันจะง่วงนอนง่วงไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าต้องยังไงคนคนทำกรรมฐานคนปฏิบัติธรรมะนี่ต้องเอาชีวิตแรกครับข้าหารที่สุดครับไม่กลัวคนจะว่า ด, ดีว่าชั่วไม่กลัวใช่ไห <c oughs> มถ้าเอาพระมาในกรุงรัง ด, นดอนครังแรกไม่มีใครจะวิตกบัต่ะ เขากลัวเข า, าว่าเมื่อนี้เคยสักวาทเนี่ยมาถึงแต่มาไปไปกินถ้าว่าเขาก็มองเพราะอะไรพวกโควิจชนะนี่พวกเนี่ยเขาคิ ด, ะนะ ด, ดว่าเป็นกรองตกแต่อาทิตย์นึงเจ้าหน้าที่เขาสั่งมีคนันึงเนาะเจ้าหน้าที่แนละ้วตำรวจน้องชายของ ม, มาด้วยเขานี่ชาวบ้านเขาสุดสูตรที่พูดกันเมื่อคืนนี่นะก็ ปล่อยไม่ผิดกฎหมายที่มีโทรไปอีกมิส บ, บาตไปคือเรื่องการมิสบัตาามีประโยชน์มากคนสมัยนีย้คิดน้อยคิดว่าไปมิสบัตาาเอาขนมเอาข้าวจะไหนพระพุทธองค์สอนไม่มีความหมายแค่นั้นมิสบัตาาเอาคนเหมือนเราสร้างบ้านหลังนึงสร้างเสร็จแล้วอย่างนี้มันเสร็จแต่การสร้างบ้าน แคนั้นแต่เราต้องอยู่ในบ้านต่อไปทีต้องทําความสะอาดบ้านตลอดเวลาเนอะ <S <S ไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องรักษาความสะอาดในบ้านของเราต่อไปเรื่อยๆย่น้คือเกาเราำทํารรมจารมณ์ที่แล้วเพรนื่ว่าเราทํารมาธิแล้วบัดนี้เราหยุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติรู้อารมณ์ที่จะมาทาลายจารมา์ิีของเราให้วุ่นวายให้รู้จัก การเดินเดินนั่งนอนในมิตรฐิก็คุ้นเคยไม่ไอย่างนั้นไม่ใว่าสร้างบ้านเจะเซ็ตนอนสบายไม่ใช่นะเนื้อว่านมันไม่สะอาด จ, จะทำไงต้องเช็บ ต, ต้องถูต้องกวาดอะไรต่างๆเนี่ยาำสมาธิเหมือนกันการกระทํำสมาธิมันไม่ยากครับแต่การรักษาสมาธิต่อไปมันยากการสร้างบ้านก็ไม่ยากสร้างบ้านหลัางนี่ไม่ทีเดีก็แล้ว สร้างมาแล้วม่นต้องรักษาความสะอาดไปหลายปีจน ก, กว่าบ้านมันจะพังเลยเมื่อเราอยู่ไปทลายรักษาความสะอาดบ้านไปเต่า น, นั้นอันนี้เป็นธรรมดาอารมทุกอย่างเมื่อเราออกจากสมาธิอย่างนี้เราจะอยู่ในบ้านนอกบ้านจะไปที่ไหนก็ตามเถอะจะไปปุจจละไปปัสสาวะอะไรที่ไหนก็ตามออมันจะรู้จักอารมณ์ อารมณ์ทั้งหลายทีมันรู้ขึ้นที่จิตจะให้น้อมสมาไว้ที่จิตพูดพูดกับจิตเจ้าของเรื่อยๆไปศึกษาเรื่อยๆไปคือศึกษาธรรมะในจิตจิตของเราสำหรับควบคุมจิตของเราให้รู้จักอารมณ์ตอบสวนอารมณ์อยู่ที่จิตของเราที่ฉะนั้นเราจะมีมีความรู้สึกว่าเราจะได้พูดกับจิตของเราอยู่ตลอดเวลาการพูด การพูดกับจิตของเรานั่นแหละคือก า, ารศึกษาความจริงหาความแท้จริงอยู่ที่ในจิตของเจ้ของนั้นคอยมันรู้สีจิตให้จิตมันรู้อารมณ์ให้มันฉลาดเ่ออะไรจะมันรู้แล้วก็รู้ไปแต่อะไรมันไม่รู้แเราก็วางมันมแล้วไปทําจิตไว้ในจิตของเจ้าของว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดมาในจิตของเราเนี่ย มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิม้มทางกายมารวมอยู่ที่จิตนี้จะดีก็าตามจะชั่วกว็าตามจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามนั้นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้สักว่าแต่มามันเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นอย่าไปยึดมันถือมันมันเลยการปฏิบัติแนวนี้ให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะ ให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ให้เกิดด้วยความสงบด้วยแล้วก็ให้เกิดปัญญาด้วยซ้อมกันไปทีเดียวถ้าเราไปแยกว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานปฏิบัติวิปัฒนาสมถฐานอย่างนี้มันฟังยากใ้ความเป็นจริงนั้นก็ปฏิบัติธรรมอันนี้มันจะเกิดความสงบ เองมันเมื่อมันเกิดความสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงในที่นั้นเองเหี่ยกว่าการปฏิบัติธรรมใน<ม>ความเป็นจริงน่ะเรื่องที่ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นซึ่งมันเกิดในจิตของมนุษย์นั้นหนึ่อคื อ, อไปรับเอาเรื่องมาจากอายตนะคือโห มันก็นำเสียงเข้ามาจมูคมันก็นำกลิ่นเข้ามารีบมันก็นำรถเข้ามาร่างกายก็นำปวดสะักเข้ามาอารมณ์มันเกิดทังจิตก็นำเข้ามาที่จิตของเจ้าของนั้นเกิดมารับรู้ว่าเป็นของของตัวทั้งนั้นไม่ปล่อยวาง ให้ความเป็นจริงหูมันนํามาก็ให้หูเชียวจมูกมันตามมาก็ให้จมูกเชี้ยวริ้นที่มันตามมาก็แห่ริ้นมันเอาไปเชี้ยวจมูกมันตามปีนมาก็ให้จมูกมันเอาไปเชี้ยวริ้นมันเอารถมาก็ทิ้งให้ริ้นมันเชียร่างกายมันเอาปัสสาวะมาก็ที่ให้ร่างกายเชียวเนี่ยทาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ทิ้งให้มันแค่เท่านั้นเนี่ยหนึ่งก็เอาของของเขามาทํามันก็เกิดยุ่งเท่านั้นเนี่กว่าการปล่อยว่า อารมณ์ทั้งหลายให้เรากําหนดรู้มันแช่ไหมอันนี้สักว่าแต่เป็นอารมณ์สุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เท่านั้นเรารู้จักอารมณ์เช่นนี้เราก็ปล่อยซึ่งอารมณ์มันนั้นปล่อยอารมณ์มันด้วยปัญญาอไม่ใช่ปล่อยอารมณ์ด้วยความโง่ปล่อยอารมณ์ด้วยปัญญาที่ว่าปล่อยอารมณ์นั้นไม่ใช่วาลังเสียดอารมณ์ ให้รู้อารมณ์ไม่ใช่ว่ารังเกรียดอารมณ์ไม่ใช่ว่าลำคาญกับอารมณ์นั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตรู้เท่านั้นแหละมันก็ไม่ลำคาญปล่อยตามสภาวะของมันบ้ามันเป็นอย่างนั้นให้รู้อารมณ์ทางหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องสงสัยอารมณ์อย่าไปสงสัยอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็ อ, อย่าสงสัย จะเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องสงสัยมันทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยอารมณ์ทําไมถึงไม่ต้องสงสัยอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ร่วงแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าของไม่เที่ยงไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาสักว่าแท้เป็นอารมณ์เท่านั้น มีปัญหาข้อข้องใจไหมในการกระทำสิ่ง น, นี้ฟังเสียงของร่องเพลงหรือว่าดนตรีแม้จะเป็นแบบข้องศาสนาต่างๆที่เขาทำจะเป็นเอทายเป็นมาลำคาญจิตใจของเราอย่างไรนะครับ ถ้าเรารู้ตามความจริงๆมันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรจะมาลาคาญกับเราเลยไม่มีไม่มีเสียงอะไรจะมาลาคาญเลยไม่มีอะไรจะลาคาญในโลกนี้ใครจะร้องราทําเพลงยินเีน่ไหนกนช่างก็จะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทำไมไม่มีอะไรจะมาลาคาญเลลยแ้วทําทไมถึงพูดอย่างนั้นจะอุปมาให้ฟังอ่าเนี้ย น้ำขวดเดียวกั Edu. นเนี่ยน้ำท่านี่ก็ใส่ในขวดเดียวกันนี้น้ำมันก็ใส่ในขวดเดียวกันเนี้ยมันคนละครึ่งอยู่กันได้ไม่รำคาญน้ำมันก็อยู่กันน้ำท่าก็ได้น้ำท่าอยู่กับน้ำมันก็ได้ไม่แย่งกันแต่ว่าม pensando, ันไม่ปนกันมันไม่ซึมซาบต่อหากันอันนี้กคือมันกันฉันนั้นเมื่อมีจิตอันปล่อยวางแล้วเสียงมันก็เป็นเสียงกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นมันเป็นคนเดที่ไม่รำคาญ อยู่บ้านเดียวกันก็ได้น้ำมันน้ำท่าใส่ในขวดเดียวก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมเข้ากันอย่างนั้นจิดของเราไม่รําคาญอย่างนั้นไม่บุญวายอย่างนั้นเขาก็ทักที่ชาวทำชาชอบมันก็ชาชอบอชสองทีเขาอยากจะทำมันมันดีเลยครับไหนเอาไม่ใช่ว่าอของไทยรอามันดูดเด็ด เราเอาไว้ในบ้านก็ช็อคังดูที่างนัชนไม่ได้ทไมมันจะให้มันทุกข์นทำไมมันจะถ้าตกปฏิบัติมันสุกข์ทไมไปให้ไปติดสุขหรือเราปฏิบัติเอาสุขหรือเอาทุกข์ไหมเราเอาสิ่งที่เราชอบใจหรือเปล่าเนี่ยถ้ารดนี้เราชอบใจเราก็ทารดนี้มันไปใจสบายมันก็ติดสุขอยู่นั่นแหละมันเป็นกามันสุขหรืกายมโยโคหรือไม่ แล้ต้องคิดไป น, นั่นเดิอันนี้มันเ ร, นรื่องคีย์เดียดของเราเราก็ชอบอย่าง ไ, าไงเราจะทําไงเดี๋ยวบางคนบอว่าบางมันโทษบางคนบางคนต้องฟบางอย่างมืนใครใช่ใช่มันก็มีปัญญาไอ้คนที่มีปัญญาเน่ยเขาจะมาด่ามันก็มีปัญญาหรอกเขาจะไม่ร้องเพลงให้ฟังมันก็มีปัญญามัน ม, ม, ม, มีทางเสียหายอะไรหรอกอันนี้เราเอาออกไม่ได้เราชอบมันอยู่เนี่ยถ้าเสียงไม่ไพเราะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เสียงดนตรีที่เราเราชอบมันเราปฏติมันใช่ไหมนั่นเป็นอยู่อย่างเนี้ย ถ้าหากว่าชอบไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไรใครจะว่าดีว่าชั่วได้ก็ช่างเหมือนอันที่ปล่อ ย, ลยแล้วนั่นแะล้วฝูดเอาถึง่งกันนั้นเราจะเอาเรื่องเรื่องที่มันสนุกสนานหมาเป็นสมถ า, านของเรานั่นแหละมันก็เด็กกินตามมาสุขานิการมีรโยโคโไม่รู้ตัวเห็นไหมอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติเอาสุขสิเมื่อเมื่อไม่มีรนปี้มาเล่นนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิน อโทษเขาเถียงเขาของเขาอะไรไหมมันเกิดหลายเออนี่แหละมันเป็นเงี่ยอืก็เหมือนที่เราเจียก ว, ว่าเออนี่มีเมียก็ดีแล้วมันทุกข์หกือสบายมันออกแลมันจะเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันก็ถูกของกุฎุชนน่ะแต่มันไม่ถูกของอริยชนนี่อารมณ์นี่ก็อย่างที่เราว่าให้อรมณ์หายใจสองข้างมันไม่สบายนะมั้งก็เสียงดนตรีไพเราะมาฟังสบาย ดับไปว่างตื่นไปว่างอย่างนั้นเดีอยวแตอย่างนั้นมันสงบนอกเรื่องมันอืมสงบนอกเรื่องมันแต่ว่าไม่นี้เสียงรดนตรีเดี๋ยวมันก็วุ่นวายอันนี้ก็ผลที่สุดให้ใหใหอะไปทีนเอาเองนะถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้เก็บเกี่วจากดนตรีก็ได้วันนี้เรียกว่าได้สร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์นะวันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ทําจิตให้สงบเป็นสมาธิ แล็กก็มีข้อข้องใจสงสัยก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่ต่อหน้าปกทันทั้งหลายนี้ก็ให้สงสัยถามปัญหาตามสบายตามความรู้ความเห็นโอกาสอย่างนี้หาในยากอืมอีก ต, อต่อไปนี่จะหาอย่างนี้ในยากอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราทันทั้งหลายแล้วที่ได้มาแก้ปัญหาข้อข้งใจของปกทือทั้งหลายวันนี้ ก็นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ไพฐานต่อ น, นี้ไปก็จะหาโอกาสอย่างนี้ก็หาในยากฉะนั้นจึงจะมอบภาระสุรจิติการกระทำที่จะทำกรรมฐานวันนี้ที่ด้พูดธรรมะในวนันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วจงรับไปพิจรารณาประพฤติปฏิบัติให้แยบคายถ้าความสงสัยเกิดขึ้น อย่ามองไปข้างนอกมองเข้ามาในตัวของเรานี้หาในที่ดวงจิตของเจ้าของนี้ทางนั้นมันยุ่งอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันมือดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันสกปรกอยู่ตรงนี้มันจะสะอาดอยู่ตรงนี้มันหลงอยู่ตรงนี้มันจะรู้อยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยอื่นไปเลยให้ปฏิบัติอย่างนี้จะเกิด ความสงบและจะเกิดปัญญาแล้ให้ถามปัญหาในตัวพูดกันในจิตของเจ้าของตลอดเวลาด้วยปัญญาบอกเลยวันนี้ที่ทนักตั้งคำวันนี้คือมีชื่อย่างนั้นคนนั้นจิตคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนไอผมพูดอะไรในเทปไหครับชื่อย่างนั้นคนหนคนชืน่อยงนั้นเฮ้ยกาคนที่ชื่อนั้นเฮ้่วัชกาแต่รวมฟั้งคำวันนี้ Yes, All of you that have come here to, to listen and, right. and participate, if you'd like me to, <laughs> record each and every one of your names. So this is Ocean, the owner of this uh, house. Is that right? Ocean and Alan and Alex and Bob and my Paul and uh, the oh. other Paul. And behind Paul is Kathleen. And do we do we have any other ladies? And Robert? Robert's been doing dishes. What you mean, d o n o w Me? Oh, and who is here? Did you see a part you d d n Me, me, j s t Kathleen, y a t e l e e n s o So that's the uh, end n d completion of this day. ก็คนเดียวเนาะสิ่ที่มาฟังกับนี่นี่วิจาคนเดียวเป็นทีนี้คัรังีว่มว่าิโตทินงเปตานังอุปคปปติิจิตังปิตังุมังคิปเมวสุิตตเเริตสังปา จันโทปนาราโสยานามิโสติราโสยานเบติโอวิวาจันตุนะบาโกรินะกโยมะเมะวัลตระ โนัอินทารมวนิอายุวันโุกังมารัยุโมโโรวนาโตาโตสุตตเมตาวิสุัสวกจติ บารังวะนังสุขัญญาบิมาราจดเดีายุยาตวะโหติยาดายตุปปาติติเตมวัตุสัพพังการังรักขันตุสับด a วะตาชาบุตตาปาวาสติภวัน มาวัตถุสะปะมังกรังรักคันดุส a ปะเดวะตาสะาดัมมานุปาวิณสันดาสุทีภวันตเถรหาวัต a ุสะป a มังกรังรักคันดุสะปะเวะาสะาสังกานุปาวิณสันดาสุที มาวันโดอเดยคุณทอมไหมครเอาข้องมาถ่ายไว้เอาไว้บ้านนะกรีนะครับถ่ายรวมไว้นี่ทอมถ่ายทั้งพระพระเลยครับทั้งวอดเออทั้งรวมเลยครับอืมกอาไว้ถ่ายถ่ายนี่